เจ ร, ริญพรท่านผู้เลวเจตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่28กรับแดกราคมพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆถึงได้มาวันเพื่อมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าที่สงสอนให้พุทธศาสนิกชนจะเริญนมักให้มากมักก็คือทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์แล้วก็เป็นทางที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตเราเพราะว่าพวกเราไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์กันแต่ทุกวันนี้ที่เรายังมีความทุกข์กันอยู่ ก็เพราะว่าเราไม่ได้เดินไปในทางที่พระพุทธเจ้า ส, สอนให้เดินนั่นเองคือไม่เดินไปในทางของมรรคแปมรรคที่มีองค์8เป็นคําสอนที่ถูกต้องที่จะนำผู้ที่ดำเนินปฏิบัติไปสู่ความหลุดพ้นได้อย่างแน่นอนมีผู้เคยถามพระพุทธเจ้าอยู่ว่า ในโลกนี้มีคำสอนของลัทธิของขาศาสนาต่างๆมากมายเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลัทธิหรือคำสอนเหล่านั้นเป็นคำสอนที่ถูกต้องพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าคำสอนใดก็ตามถ้ามีมักที่เป็นองคป8อยู่ ก็ถือว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องถ้าผู้ใดปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องศึกษาคำสอนของผู้ที่สอนมรรคที่มีองค์8เท่านั้นถ้าเป็นคำสอนที่นอกออกจากมรรคที่มีองค์แก็จะไม่สามารถพาให้ผู้ปฏิบัติตามนั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ มักที่มีองศาที่พระพุทธเจ้าทรงนำเอามาเผยแผ่ให้แก่สารโลกนั้นมีอะไรบ้างองค์แรกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องหรือความเห็นชอบก็คือความเห็นว่าบุญมีจริงผลที่เกิดจากการทำบุญคือสวรรค์ก็มีจริงบาปมีจริงผลที่เกิดจากการทำบาปคือนรก ก็มีจริงตายแล้วก็ต้องไปรับผลของบุญของบาปตายแล้วก็ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่จอบใดที่ยังไม่ได้ชำระใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องถ้าพวกเราไม่อยากจะไปนรกไม่อยากจะไปทุกข์กับสิ่งต่างๆ เราก็อย่าทำบาปถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ไปที่มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเราก็ต้องหมั่นทำบุญถ้าเราเบื่อกับการเวียนว่ายตายเกิดเบื่อกับการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องชำระใจของเราให้สะอาดบริบสุทธิ์นี่คือมรรคข้อที่หนึ่ง ให้มีความเห็นที่ถูกต้องว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงมีผู้ที่ไปมาแล้วสําเร็จแล้วก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่เป็นสารณะเป็นที่พึ่งของพวกเราคำว่าสารณะหรือที่พึ่งนี้ก็หมายถึงว่าเป็นเยี่ยงอย่าง ที่เราพึงจะน้อมนำเอามาปฏิบัติกับตนเองเพราะท่านเหล่านั้นท่านดำเนินชีวิตของท่านในทางของมรรคแปดนี่เองเมื่อท่านดำเนินไปท่านก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกับพวกเราถ้าเราเดินทางไปตามแผนที่ที่เราที่บอกทางให้กับเราถ้าเรา ไม่ออกนอกลูก่นอกทางที่แผนที่ชี้บอกไว้ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะเดินทางถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปกันได้ดังนั้นจุดแรกก็คือเราต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเพราะเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราก็จะมีความคิดมีการกระทำมีการพูดมีการ เลีงชีพที่ถูกต้องมีอยู่สี่ข้อด้วยกันคือความคิดที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสังกโปการกระทําที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมากรรมันโตการพูดที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาวาจาอาชีพที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาอาชิโมเมื่อเราเชื่อในบุญเชื่อในบา การคิดของเราก็ต้องคิดไปในทางทำบุญละบาปชำระใจให้สะอาดโปอยสดเพราะว่าความคิดนี่แหละเป็นผู้ผลักดันการกระทำทางกายและทางวาจาต่อไปอย่างที่ท่านทั้งหลายวันนี้มาที่วัดได้ก็เพราะว่าท่านมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบที่ว่าเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริง นรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงน้าการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงเมื่อมีจริงท่านก็มาคิดมาทำบุญมาละบามาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือความคิดถ้าไม่คิดก็จะไม่ออกเดินทางมาที่วัดถ้าไม่มีสัมาทิฏฐิ ถ้าไม่เชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงวันนี้ก็จะไม่ได้มาวันเพราะไม่คิดจะมาทำบุญมาละมาก็อาจจะไปทำบาปเช่นชอบยิงนกตกปลาก็จะไปยิงนกตกปลาถ้าชอบดืม่มโซรายาเมาก็จะไปดืม่มโซรายาเมาชอบเล่นการ์ น, นูนก็จะไปเล่นการ์ น, นูน เพราะว่าไม่มีความเห็นที่ถูกต้องไม่รู้ว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงความทุกข์เกิดจากการกระทำบาปความสุขเกิดจากการกระทำบุญเกิดจากการชำระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์นี่คือทางของผู้ที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิ ไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อนรกไม่เชื่อสวรรคไม่เชื่อว่าการกระทำของตอนนี้แหลวที่เป็นต้นเหตุที่จะทำให้ตนเองสุข ร, รื้เจริญทุกข์รู้สือนแต่ผู้ที่มีความเชื่อก็จะมีความคิดที่ดีตามมาความคิดที่ถูกต้องคิดว่าวันนี้ต้องมาวัดวันนี้ไม่ต้องทำงานมีเวลาว่ามาวัดมาทำบุญมารักษาศีล ก็คือมาละบาปแล้วก็มาปฏิบัติธรรมมาชําระใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์เมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็เดินทางมาที่วัดกันนํากับข้าวกับปาอาหารขวหวานทรัพย์สินเงินทองเอามาบริจาคให้แก่วัดให้กับพระภิกษุสามเณรและผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี้เรียกว่าเป็นการทําบุญ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 นี่เรียกว่าการกระทําที่ถูกต้องการกระทําที่ชอบและเรียกว่าสัมมากรรมโตและเราก็มาละเว้นจากการพูดปทคำว่าละเว้นจากการพูดบดละเว้นจากการพูดเพ้เจอละเว้นจากการพูดคำหยาบละเว้นจากการพูดสอเสีย คำ ว, ว่าโสเสียนี้แปลว่ายุโยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีนี่คือคำพูดที่ไม่ดีไม่ชอบเราไม่ควรทำกันถ้าเราไม่ทาคาพูดเหล่านี้ไม่พูดคำพูดเหล่านี้เราก็จะมีสัมมาวาจารเราก็จะดำเนินตามมักองค์ที่องค์ที่สี่ องที่สก็คือสัมมากรมันสัมมากรรมันโตการกระทำที่ชอบก็คือไม่ฆ่าสัว์ตดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติตัวเวณีไม่เส่สุรายามาเมื่อ แ, แล้วเราก็มาทำข้อที่หคือสัมมาอาชีว์คือเราต้องเลี้ยงชีพด้วยอาชีพที่ที่ชอบที่ถูกต้อง อาชีพที่ชอบที่ถูกต้องก็คืออาชีพที่ไม่เป็นภัยอันตรายต่อผอู้ไม่ว่าจะด้วยการกระทําของตนเองหรือการส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทาเช่นถ้าเราทาอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้ก็เป็นการกระทําโดยตรงของเราเองคือเราไปเบียดเบียนสัตว์ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าเราไม่ทาอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แต่เราทำอาชีพขายสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นเช่นค้าสุรายาเมาค่าอาวุธต่างๆค่าเครื่องดักสัตว์เครื่องทำลายสัตว์หรือค่าค้ามนุษย์ค้าสิ่งที่มีชีวิตถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้ฆ่าเขาแต่ถ้าเราค้าเป็ดค่าไก่เราขายไป คนที่ซื้อเขาก็จะเอาไปฆ่าต่อไปเราขายสุราคนที่ซื้อก็จะไปดื่มสุราแล้วก็เกิดอาการดุมเมาไม่สามารถควบคุมความคิดการกระทําและการพูดของตนได้ก็มักจะไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเวลาเมาแล้วก็มักจะทุบตีกัน ทำร้ายทรัพย์สินสมบัติและทำร้ายชีวิตของผู้รู้เช่นเวลาเมาแล้วขับรถยนต์ขับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเวลาซื้อรถยนต์มาใหม่นั้นเวลาจะไปให้พระเจิมรถนั้นความจริงไม่ต้องไปเจอมหรอกเพราะว่ารถนี้เขาผลิตออกมาดีแล้วเขามีการควบคุมณคุณภาพของรถ รถนี้ดีอยู่ทุกประการผู้ที่ต้องรับการเจมไม่ใช่รถแต่คนขับต่างหากเพราะคนขับนี่แหละเป็นผู้ที่จะทำให้รถพังทาให้รถเกิดอุบัติเหตุดังนั้นถ้าอยากจะเจอก็ให้ไปเจอที่คนการเจอคนก็คือเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนนี่เองก็คือให้ละเว้นจากการเสพสุรายามา ให้ขับรถด้วยการมีสติไม่รีบร้อนให้ขับด้วยความไม่ประมาทเวลาขับรถก็ใจจะต้องจดจ่ออยู่กับรถยนต์ไม่ใช่บัวแต่นั่งคุยกันหรือคุยโทรศัพท์หรือส่งส่ง SMS ให้ต่อกันเพราะว่าเมื่อทำอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีสติอยู่กับการขับรถ พอเกิดเหตุกระทนหันขึ้นมาก็จะไม่สามารถหยุดนัดได้เดี๋ยวนี้ต้องมีกฎหมายออกมาบังคับห้ามไม่ให้ผู้โทรศัพท์ในขณะที่ขับรถห้ามไม่ให้ส่งเอสเอ็มเให้ต่อผู้ในขณะที่ขับรถห้ามไม่ให้สูบบุหรไม่ให้ดื่มสุร า, ยาอย่างาเพราะนี่คือเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเกิดความวิบัติขึ้นมา ไม่ใช่อยู่ที่รถยนต์การที่เอาแป้งไปไปไปขีดไปจุดไว้ในรถนั้นไม่ได้เป็นมิเป็นเป็นอะไรเลยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรใครใคก็ทําได้ไม่ต้องให้พระทำก็ได้ถ้าเราอยากจะเจอมาก็เจอเองก็ได้เอาผ้าเอาเอาแป้งมามาจุดสองสามจุดก็ถือว่าได้เจอมแล้วถ้าอยากจะเจอมันต้องเจอมตัวเราเอง ต้องเตือนสติดีเลื่อนว่าเวลาขับรถอย่าประมาทอย่ารีบร้อนให้มีสติให้มีสติสัมปะชัญญะครบถ้วนบริบูรถ้าดื่มสุราแล้วก็จะขาดสติไม่มีสติสมบูรณ์นี่คือเรื่องของการกระทันที่จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นคืออาชีพ ที่เราทํานี้ไม่ควรที่จะไปส่งเสริมให้ผู้อื่นเขาไปทำร้ายไปเบียดเบียนไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเช่นขายสุราขายยาเสพติดขายสิ่งที่เป็นเครื่องดักสัตว์ขายอาวุธหรือขายสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นอาชีพที่ฆ่าของฆ่าผู้อื่น เช่นขายข้าวเป็ดค่ากไก่าขายข้าวข้ามหมูข่าวัวอย่างนี้นี่คืออาชีพที่ไม่ชอบควรจะเลี่ยเลี่ยงมีอาชีพอื่นอีกมากมายที่เราที่คนอื่นเขาทากันได้ทําไมเราจึงต้องมาทําอาชีพที่ที่ไม่ถูกต้องอย่างนั้นถ้าเกิดเรามีกําลังทําอาชีพที่ไม่ถูกต้องอยู่ เราก็ควรที่จะคิดเปลี่ยนอาชีพเสียเถอะเพราะว่ามันจะเกิดโทษกับเราต่อไปเพราะวันดีไม่ดีสักวันหนึ่งเราขับรถไปก็อาจจะไปเจอคนขับรถที่ดืม่มโซดาเมาแล้วก็มาชนกับรถของเราก็ได้นี่คือผลพลอยผลพลอยได้ที่จะเกิดขึ้นกับเราต่อไปจึงขอให้เรา มีสัมมาอาชีพกันนี่คือเรื่องของการทำบุญการไม่ทำบาปส่วนการชำระใจให้สะอาดบริสุทธินี้ก็ต้องมีอยู่อีกสามข้อมีมั้คือองค์8อยู่สาข้อก็คือสัมมาวายาโมสัมมาสติและสัมมาสมาธินี่คือเครื่องมือ ที่จะเอามาใช้ในการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์สรนมาวายามโมก็คือความเพียรชอบเพียรอย่างไรถึงเรียกว่าเพียรชอบก็เพียรทำบุญที่เรายังไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรรักษาบุญที่เราได้ทำอยู่แล้วนี้ให้คงต่อไปแล้วก็ให้เพียร ละบาปที่เรายัางละไม่ได้แล้วก็เพียรป้องกันบาปที่เราละแล้วอย่าให้กลับคืนมาอีกนี่คือความเพียรที่ถูกต้องต้องพยายามทำบุญอยู่เรื่อยๆทําบุญให้มากขึ้นไปอย่าให้น้อยลงแล้วก็ละบาปละไปเนื่อยๆทีละข้อสองข้อจนกระทั่งไม่มีการกระทําบา อยู่ในใจของเราแล้วก็มาเพียรเจริญสติเพราะการเจริญสตินี้เป็นสิ่งที่จะมาชำระใจคือกิเลสตัณหาความโลภความอยากได้ถ้ามีสติเราก็จะหยุดกิเลสได้ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะหยุดไม่ได้ถ้าเราหยุดไม่ได้เราก็ชำระใจให้สะอาดบริบสุทธิ์ไม่ได้ จะชำระใจให้ซาบลอยสุวนได้เบื้องต้นต้องมีสัมมาสติคือมีสติและเลือกรู้อยู่กับความคิดของเราคือต้องหยุดความคิดของเราที่ไม่ดีความคิดของเราส่วนใหญ่ 99% ์นนี้จะคิดไปในทางที่ไม่ดีจะคิดไปในทางกิเลสคิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงในเบื้องต้นเราจึงต้อง หยุดความคิดที่ไม่ดีให้ได้ก่อนเหมือนกับรถยนต์ที่วิ่งไปในทางที่ผิดไม่ใช่ทางที่เราต้องการไปก่อนที่เราจะกลับรถได้เราก็ต้องหยุดรถก่อนแล้วค่อยอยู่เทินกลับรถอีกทีหนึ่งเพื่องต้นเราต้องหยุดรถที่เดินไปในทางที่ผิดก่อนฉันใดเราก็ต้องหยุดความคิดของเราที่คิดไปในทางที่ผิด ก็คือคิดไปในทางฟุ้งซ่านนั่นเองคิดไปในทางวิตกกังวลคิดไปในทางโลกความโกรธความหลงเรื่องตอนเราจึงต้องหยุดความคิดก็มีหลายวิธีด้วยกันที่จะใช้หยุดความคิดได้ถ้าเราจะใช้การสวดมนต์ไปภายในใจอย่างนี้ก็หยุดความคิดที่ไม่ดีได้ถ้าเราสวดมนต์ไปเรื่อย เราก็จะไม่สามารถที่จะคิดไปดื่มสุราคิดไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคิดไปลักทรัพย์คิดไปประพฤติผิดประเวณีได้ถ้าเราสวดมนต์ไม่ได้ก็ให้คิดว่าคำว่าพุทโธพุทโธไปก็ได้คิดไปพุทโธพุทโธไปทั้งวันไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเรามีพุทโธอยู่เรื่อยๆ ใจของเราก็จะไปทางโลกทางโกรธทางหนงไม่ได้ถ้าเราไม่ชอบท่องพุทธโธก็ใช้การเฝ้าดูร่างกายของเราก็ได้ผูกใจของเราผูกความคิดของเราให้คิดอยู่กับร่างกายของเราเช่นตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ก็ให้รู้ว่ากําลังทํำสิ่ง น, นั้นอยู่อย่าให้กายกับใจอยู่ห่างจากกัน ให้ทำไปพร้อมๆกันใจเฝ้าดูร่างกายไม่ใช่ร่างกายทำอย่างหนึ่งเน้ากายก็ไปคิดอีกเรื่องหนึ่งเช่นกำลังเดินอยู่ตรงนี้แต่ใจก็ไปคิดถึงกรุงเทพไปคิดถึงเชียงใหม่ไปคิดถึงเมื่อวานนี้ไปคิดถึงพรุ่งนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติอยู่กับร่างกายถ้าจะให้มีสติอยู่กับร่างกาย ก็ต้องเฝ้าดูร่างกายทุกเอเริยาบดทุกก้าวย่างเช่นกําลังเดินก้าวเท้าซ้ายก็ให้รู้ว่ากําลังก้าวเท้าซ้ายกําลังก้าวเท้าขวาก็ให้รู้ว่ากําลังก้าวเท้าขวากําลังเด่นน้ําก็รู้ว่ากําลังเด่นน้ํากําลังตักข้าวเข้าปากก็รู้ว่ากําลังตักข้าวเข้าปากไม่ว่ากําลังทําอะไรให้รู้อยู่กับเรื่องที่กําลังทําอยู่ อย่างนี้ใจก็จะไม่ลอยไปที่อื่นใจก็จะตั้งมัน่นถ้าใจตั้งมั่นก็เรียกว่ามีสติไม่ฟุง้งซ้านไม่คิดเลว่อยเปื่อยไม่คิดสร้างอารมณ์มาก่อขวนจิตใจอย่างที่เป็นอยู่กับพวกเราทุกวันนี้ร่างกายของเราสุขสบายดีแต่ใจของเราไม่ค่อยสุขเลยก็เพราะว่าเราปล่อยให้ใจผลิตความทุกข์ต่างๆให้กับเรานั่นเอง ผลิตความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเกิดจากความวิตกเกิดจากความกมังวลเกิดจากความห่วงใ ย, ยเกิดจากความหลงต่างๆเหล่านี้ดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องหยุดความคิดเหล่านี้ก่อนด้วยการภาวนาบริกรรมพุทธโธหรือสวดมนต์ภายในใจหรือเฝ้าดูร่างกายไป ทุกปีรียบดของการเคลื่อนไหวถ้าเรามีเวลาว่างเราก็ต้องนั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุทธโธต่อไปถ้าเราบริกรรมพุทธโธก็บริกรรมพุทธโธต่อไปถ้าเราสวดมนต์ก็สวดมนต์ต่อไปถ้าเราดูร่างกายเราก็ดูลมหายใจเข้าออกต่อไปอย่าไปคิดเรื่องต่างๆอย่าไปอดีตอย่าไปอนาคต ให้อยู่กับงานที่เราให้ใจทําอยู่ให้อยู่กับลมหายใจให้อยู่กับพุโทโธให้อยู่กับการสวดมนต์ถ้าเราทําได้ใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบเรียกว่าสมาธิได้สมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิก็คือต้องนิ่งต้องว่าต้องสบายต้องไม่เห็นสิ่งต่างๆ ถ้าเห็นสิ่งต่างๆนี้เรียกว่ามิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสมาธิคนส่วนใหญ่ไม่รู้กันเวลานั่งสมาธิก็คิดว่าจะต้องเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเทวดาเห็นผีเห็นอะไรต่างๆถึงจะเรียกว่านั่งได้ผลความจริงได้ผลแต่ผลไม่ใช่เป็นผลที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้ได้ ผลที่ทรงอยากให้เราได้ก็คือความเป็นอุเบกขาความนิ่งความสงบเป็นกลางไม่โลภไม่โกรธไม่รักไม่ชังเพราะนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะเอามาดับกิเลสได้ถ้าดับกิเลสได้ก็จะดับความทุกข์ได้เพราะความทุกข์นี้เป็นผลที่เกิดจากกิเลสตัณหานี่เอง เวลาโลภแล้วใจก็จะกระสับกระส่ายกังวลกระวายกินไม่ได้นอนไม่หลับเวลาได้มาแล้วก็จะกังวลกับสิ่งที่ได้มาจะหวงจะห่วงกับสิ่งที่ได้มาวิตกว่าจะต้องเสียไปนี่เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความโลภแล้วก็เวลาสูญเสียสิ่งที่ได้ไป ก้าเศร้าสศกเสีสสยใจร้องห่มร้องไส้กินไม่ได้นอนไม่หลักนี่เป็นผลที่จะเกิดจากความโลภความอยากพระพาาารุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราใช้ปัญญาให้พิจารณาให้เห็นโทษของความโลภของความอยากว่าเป็นผู้สร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าเราไม่โลภเราไม่อยากเราจะสบาย อย่างในขณะนี้เรานั่งควางเทศวางธรรมเราไม่มีความโลภความอยากที่จะทำอะไรใจของเราก็เย็นสบายมีความสุขถ้าเกิดมีความอยากที่จะทำอะไรขึ้นมาเราก็จะทนนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ใจใจะกระสับกระส่ายกัวนกวังวลขึ้นม า, ท, าทันทีนี่เรียกว่าสัมมาสมาธิคือนั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบ ให้นิ่งให้ว่างไม่มีความคิดปุงแต่งไม่มีอารมณ์โลกหรือหยาไม่มีอารมณ์รักอารมณ์ชัง่งใจเป็นการใจเย็นใจสบายอันนี้แหละเป็นสมาธิที่จะสนับสนุนในการเจริญปัญญาหรือการให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องในการภาวนานี้คืออะไร คือให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอนิจจังก็คือไม่เที่ยงไม่ถาวรไม่นิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีการเจริญมีการเสื่อมมีการเกิดมีการดับเรียกว่าอนิจจังเป็นทุกข์เพราะว่าเวลาสิ่งที่เราลักเราชอบเกิดเสื่อมไปหายไป ใจเราก็จะเสียใจทุกใจเวลาที่สิ่งที่เราชอบเปลี่ยนไปเราก็จะเสียใจเช่นคนที่เคยรักเราเปลี่ยนไปไม่รักเราเสียแล้วกลับมาโกรธมาเกลียดเราอย่างนี้เราก็จะเสียใจทุกใจเขาเป็นอนัตตาคือเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปสั่งเขาได้ ไปสั่งให้เขารักเราตลอดไม่ได้ไปสั่งให้เขาดีกับเราตลอดไม่ได้ไปสั่งให้เขาอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเกิดมีการดแบบับมีการพัดผ่าจากกันเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากจะทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องไม่อยากได้สิ่งเหล่านี้ต้องอยู่คนเดียวเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมา พระพุทธเจ้าก็เคยมีสิ่งต่างๆที่พวกเรามีกันมีสมบัติเข้าวของเงินทองมีบุตรมีภรรยามีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทรงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขแล้วก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่สามารถควบคุมบังคับ ให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องอย่างนี้เราก็จะมีความคิดที่ถูกต้องตามมาคือเราจะคิดปล่อยวางคิดไม่อยากได้อะไรอยู่คนเดียวสบายกว่าถ้าเรามีสมาธิมีความสงบเราจะมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราจะได้รอบจากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ ดังนั้นเราต้องมีสมาธิก่อนต้องทําใจให้สงบมีความสุขก่อนเพราะเมื่อเรามีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายเราก็จะตัดความสุขต่างๆที่เราเคยอาศัยที่เราเคยชอบได้เราก็จะตัดความสุขจากการมีสามีมีภรรยาได้ตัดความสุขที่เกิดจากการมีลูกได้ ตัดความสุขจากการที่มีรายกยศสารเสรสิมมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้กนกายได้เพราะเรามีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าคือความสุขที่เกิดจากความสงบที่เกิดจากการเจริญสตินี่คือสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วก็นำไปจสมมสมมูสัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโป่ต่อไป เมื่อถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปรก็จะถึงการดับทุกข์นั่นเองพอเราไม่อยากแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปนี่คือมรรคปาฏิทพี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายต้องเจริญมรรคที่มีองค์แปดนี้เป็นทางเดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ได้รัที่คำสอนของใครก็ได้ถ้าสอนสอนให้มีให้ปฏิบัติมากคแบก็ถือว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าไม่ทรงถือลิขิตว่าพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนอันเดียวที่จะนำพาสารโลกไปให้พ้นทุกข์ได้แต่พระองค์ทรงตรัสว่า ไม่ว่าจะเป็นคำสอนของลัทธิใดาศาสนาใดก็ตามต้องมีมรรคที่เป็นองแบถ้าไม่มีก็ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นได้ดังนั้นถ้าท่านยังมีความเชื่อความศรัทธาในคำสอนของใครก็ตามถ้าอยากจะรู้ว่าคำสอนของท่านเหล่านั้นเป็นคำสอนที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือไม่ ก็ให้เราพิจารณาดูว่ามีมั้งที่เป็นอกแปดอยู่หรือไม่เช่น <M> ถ้าเขาสอนให้เราไปเจอรถอย่างนี้มั้งที่มีองแปดสอนว่าอย่างนั้นหรือเปล่า <M> ถ้าไม่สอน <M> ก็อย่าไปเจอเพื่เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือทางที่พู้เจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราปฏิบัติกันขอให้พวกเราศึกษาให้เกิดความเข้าใจ เพื่อที่เราจะได้ไม่หลงทางถ้าเรายังไม่เข้าใจเวลาคนอื่นมาบอกเราผิดเราก็จะไม่รู้และเราก็อาจจะเดินไปในทางที่ผิดก็ได้แล้วผลที่เราต้องการก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาจึงขอฝากเรื่องของการมาเจริญมากที่มิองคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมากรรมโตสัมมาวาจา สัมมาอาชิโมสัมมาวาจาโมสัมมาสติและสัมมาส ม, มาธิให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไวเพียงเท่านี้ขอคุณพระศ ร, รีรัตนตรัยและบุญกุศล ที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นตัดใ จ, จให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแก้วคล้าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปนนวงโดยทั่วหน้ากันเธอ